ปฏิสังขรเสนาสนะที่สุดโสมต่อมาภิกษุผู้เถระทั้งหลายได้เดินทางไปกรุงราชกฤห เพื่อสังขยนาพระธรรมและวินัยลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เถระได้ปรึกษากันดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงสันเสริญการปฏิสังขรนเสนาสนะที่สุดโสมถ้ากระไรพวกเราจะปฏิสังขขนเสนาสนะที่สุดโสมในเดือนแรก จะประชุมสังขายนาพระธรรมและวินัยตอนกลางเดือน